วันนี้นี่วันที่เท่าไหร่ละวันที่เจดเกตระบบปอาทินวันนี้คือวันศุกร์นะอีกสองวันก็จะครบสามอาทิตย์ใช่ไรมบวชมาแล้วสิบเก้าวันนะหรือถ้านับวันบวชเริ่มต้นนับวันบวชเป็นวันแรกก็ยี่สิบแล้วนะ พรพวกเรายังไม่มีใครศึกเลยใช่ไหมรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่อดทนตั้งใจมากนะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้นี่กว่าจะมาถึงอาทิตย์ที่สามนี่ก็ศึกกันไปบ้างละเพราะว่าคิดถึงบ้านบ้างละ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 ก็ขอให้บวดจนครบนะกำหนดศึกวันที่12เมษายนหรือว่าใครจะบวดต่อ mm hmm. ก็ยินดีนะ mm hmm. พวกเราเนะ mm hmm. พวกเรามาที่ทุ่งกำมังนะ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 เกลักษาพันสัตว์ป่าภูเขานี่นะั้นมีชื่อมากนะพวกเราอาจจะเคยไปเที่ยวป่าที่ เ, เรียกว่าอุทยานแห่งชาติเช่นเขาใหญ่บางคนอาจจะเคยไปตัดตน้นแต่อุทยานนี่กับเขลักษาพันสัตว์ป่านี่ต่างกันนะไม่รู้มีใครบอกหรือยังนะอุทยานนี่เขาให้คนมาเที่ยว นะแล้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี่เขาจะสงวนเอาไว้เขาจะไม่ค่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่าไหร่นะจะเข้าจะออกนี่ก็ต้องมีการตรวจตานะไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะมาพักแรมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะที่ภูเขียวนะ หาได้ยากพวกเราก็น้องประโชคดีนะเราก็ได้มาเห็นนะได้มารู้จักได้มาสัมผัสป่าจริงๆมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงที่จริงที่เราเห็นนี้ก็ยังส่วนน้อยนะยังมีประเภทอันซีนอีกเยอะนะ a z i n g ก็มากมายอันซีนก็เช่นช้างเนี่ย หรือว่ากระสู่นะลกเงือกนะเสือพวกนี้ก็เป็นทั้ง unseen แล้วก็เ m a z i n g นะแต่ถ้าเราโชคดีนะก็อาจจะได้เห็นรักๆรก็ได้เราก็ได้เห็นนะหลายคนก็ได้เห็นขี้ช้างแล้วน ะ, ะใกล้ความจริงละ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 เราเห็นตอนนี้เนี่ยยังไงเนี่ยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วสุโกโตเนี่ยก็ยังงั้นแหละนะเต็มไปด้วยต้นไม้นะต้นใหญ่ๆแล้วก็มีสิงสาราสัตว์มากมายหลวงพ่อคำเขียนนะรู้จักไหมหลวงพ่อคำเขียนนะอ่ะถ้าเราว่า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 แล้วก็มีช่วงหนึ่งนะก็จะมีกวางนะกวางมันก็จะมาดูหลวงพ่ออาบน้ําส่งน้ำเหมือนกนะันมันเห็นอยู่ทุกวันทุกวันจนทํามันก็คุ้นกับคนนะก็คล้ายเก้งกวางที่เราเห็นที่นี่แหละนะมันก็เข้ามาใกล้นะสุโตนี่นะมีเก้งมีกวางนะห้สิบปีที่แล้วมันไม่เคยเห็นคนนะ เดี๋ยวว่าแต่เก้งกวางเลยช้างยังมีเลยนะประมาณสักปีสองศูนเนี่ยนะก็เล่าว่าคนเก่าคนแก่หรือว่าคนเขียนยี่ก็เล่านะว่ามันเคยมีฝูงช้างอยู่ฝูงหนึ่งนะมันก็ไม่ได้ไปหากินไกลนะมันก็มาหากินแถวไร่ชาวบ้าน สมัยนั้นเนี่ยตรงสาลาหอไตรน่ยรู้จักไหมหอไตบริเวณนั้นทั้งบริเวณเนี่ยตะกอนเนี่ยมันเป็นไร่มันเป็นไร่ข้าวโพดนะชาวบ้านเริ่มมากันละแต่ก่อนมันเป็นไร่ชาวบ้านนะมันไม่ใช่มนที่วัดเป็นไร่ชาวบ้านปลูกข้าวโพดควางมันก็มาหักข้าวโพดกินแนะม่ใกวางช้างช้างก็มาหักข้าวโพดกิน บางทีหากตัวกระทั่งไม่เหลือเลยนะชาวบ้านก็ไม่พอใจนะมีคราหนึ่งก็ยิงช้างยิงช้างตัวหนึ่งบาดเจ็บนะช้างตัวที่เหลือก็เลยพยุงนะหรือประคองประคองเพื่อนที่บาดเจ็บเนี่ยหนีไปนี่เราสงสัยมา่าเก็ประคองอยังไงช้างอน่ยช้างไม่มีมือนะช้างมีแต่ขาประคองอยังไง เขาก็ว่ามันหาตัวเจ็บตัวที่เจ็บเนี่ยนะมันก็เหมือนกับอยู่ตรงกลางไอ้สองตัวที่แข็งแรงก็หนีบเอาไว้นะนันเรียกประคองนะมือนก็บแซนด์วิชนะนะหนีบเอาไว้นะหนีบบีบนะไอ้ตัวที่มันถูกยิงอะ่ะมันก็อยู่ตรงกลางไอ้สองตัวที่อยู่ข้างๆก็หนีบเอาไว้แล้วก็คอยประคองนะเขาว่ามันลำแสงนั้นมา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 กระพูแลนคาเนี่ยมันเป็นป่าพืนเดียวกันนะสมัยก่อนนี่ป่ามันพื้นใหญ่มากมันต่อกันนะเป็นล้านล้า น, านไรนนะ่เนี่ยก็คิดว่าเนี่ยป่าไอช้างสุกโตนี่ก็คงจะอพยพมาแต่แล้วคงจะมาลงเอยที่นี่แหละเพราะวันปลอดภัยตอนที่หลวงพ่อมาสุกโตใหม่ๆเนี่ยปีสองกเนี่ยนะ ตรงหอไต่เดิมนะหอตายเดิมนะเ่ยนะไอหอต่เนี่ที่เราเห็นตรงเนี้ยมันเป็นที่ใหม่นะต่กั่วมาอยู่บนเขาตะกั่วหลวงพ่อนี่ก็ไปเป็นนอนตรงนั้นแหละนอนบนเขาอะตรงหน้าหอตายเดิมเนี่ยยังยังมีกระโหลกช้างอยู่เลยถ้ามีกระโหลกช้างเสียดายนะไม่ได้เก็บเอาไว้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันธรรมดาแต่ถ้าเก็บไว้ก็ดีมันเป็นหลักฐานว่าสมัยหนึ่งเนี่ย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 ห้าสิบปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าสุกโตมันเคยเป็นป่าทึบมาก่อ น, นป่ามันหายไปไหนนะป่ามันหายไปไหนก็คนนั่นแหละคนขึ้นมาหักล้างถังพงนะไม่เรียหักล้างถังป่ า, าอยู่พราะก่อนมันไม่มีพงนะมันมีแต่ป่าหญ้าพงนี่มันไม่ค่ยขึ้นหรอก แล้วหักล้างถังป่านะมันเริ่มจากการมาทำไม้ก่อนนะทำไม้นะพวกเรานี่เดี๋ยวนี้นึกภาพไม่ออกนะว่เาเดี๋ยวนี้คนไทยมีการทำไม้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เขาห้ามทำไม้แล้วนะทั้งประเทศห้ามทำไม้เขาประกาศตั้งแต่ปีสามศูนยะ์ะนะก่อนพวกเราเกิดอีก เระฉะนนพวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกว่ามีการทําไม้ในเมืองไทยเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะทำไม้ก็ทํำยังไงทําไม้นี่ไม่ได้ว่าทําเอาไม้มาทํานะแต่หมายถึงว่าตัดไม้นะคำว่าทําไม้เนี่ยนะมันแปลว่าตัดไม้นะประมาณสี่สิบกว่าสิบปีที่แล้วเขาก็มีบริษัทมาทําไม้มาตัดไม้แถวตั้งแต่โน่นตัดตน้น ท่าหินงมนะไล่ลงมาอะไรขึ้นไปนะจนกระทั่งถึงตาดินทองนะต่าดินทองก็ที่วัดป่ามหาวันนี่แหละก็ไปกันนี่นอีกนะตัดไม้แต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันเป็นป่าดงดิบนะก็เรียกป่าดิบแงลงรึกทึบมากไม่มีใครขึ้นมาทามาหากินบน บนหลังเขานะที่สุขโตเนี่ยบริษัททําไม้เขามาก่อนทําไม้เขาก็มาตัดไม้ไอ้เส้นทางที่เป็นถนนนั่นนะที่เราบินทบาทเนี่ยที่กุดงงอะ่ะทำราไฟเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางชักลากไม้รู้จักมาชักลากไม้เนี่ยคือลากไม้ขนไม้นั่นแหละแต่ก่อนเขาเขาลากไม้ด้วยช้างนะ แต่ตอนหลังเนี่ยเขาไม่เขาไม่ลากแล้วเขาขนขึ้นรถไปเลยนะนั่นแหละเป็นเส้นทางขนไม้นะพอตัดไม้ทำไม้เสร็จชาวบ้านจากเคีื่องต่างก็ขึ้นมาถ้าไม่มีการทำไม้นี่ชาวบ้านขึ้นมายากนะเพราะว่าไม่มีถนนไม่มีเส้นทางนะชาวบ้านนี่ไม่มีปัญญานะจะขึ้นมา มาทําทางมาหักร้างถังป่าพอมีทางแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ขึ้นมาตามทางนี่แหละนะแล้วก็เริ่มมาถักร้างถังป่ามาทําไร่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่านะเขาเล่าว่าขณะดนี่ป่านี่มันถูกถูกตัดไม้ไปแล้วนะป่านี้ก็ยังมีต้นไม้เยอะอยู่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 หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเสียงดังเนี่ยเสียงดังพอไม้ล่นเนี่ยดังเป็นชั่วโมงช่วโมงเลยนะแปลว่าต้นไม้เยอะมากเลยนะนี่ขนาดทําไม้ไปแล้วนะขนาดทําไม้ไปเขาตัดไม้ไปเยอะแล้วนะต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่ต้นไม้ก็พังคือลงมามันก็มันก็กวาดเอาต้นไม้ต้นอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆให้โคลงมาด้วย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 เพราะมันเป็นไม้ราคาไม้มีค่ามาแต่ว่าชาวบ้านนี่เขาไม่รู้อยากไปทำอะไรนะมันเยอะมากเขาก็เผาเทานั่นแหละจะเลื่อนไม่มีปัญญาเลื่อยต้นมันใหญ่เผาหน้าแรงนะจะไดใ้ให้ที่มันเตียนก็จะได้ปลูกปลูกข้าวโพดปลูกเดืวยตอนหลังก็เริ่มปลูกบันนะ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 เรามีไรายได้จากต่างชาติเนี่ยก็จากการขายไม้นะไม้สักไม้สารพัดเพราะเมืองไทยแต่ก่อนนี่มันมีแต่มันมีแต่ต้นไม้ป่าทั้งประเทศเลยเหมือนกับพม่าเนี่ยเมื่อเหมือนกับมเมื่อเมื่อกว่าพม่าเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วต้นไม้ที่เราตัดเนี่ยก็ไปขายขายก็ได้เงินมาเอามาทําไมเอามาพัฒนาประเทศ สร้างถนนสร้างเขื่อนผลิตโรงงานไฟฟ้าข้าวโพดเอยมันเอยที่ปลูกนะจากการตัดไม้เนี่ยก็เอามาขายส่งออกโดยเฉพาะมันสัมปะหลังนี่ส่งออกโอ้ยรายได้ดีมากนะรายได้นี่มากกว่าคาดสมัยก่อนห0สิบปีที่แล้วเนี่ย รายได้ของประเทศนี้ได้มาจากการส่งออกข้าวขายข้าวขายไม้ขายดีบุกยางพาราแต่ข้าวเปอันดับหนึ่งเลยนะรายได้หลักของประเทศในอันดนับหคือข้าวรองลงมาคือไมนะ้ตอนหลังก็เป็นมันสัมปะหลังมันสัมปะหลังก็แซงข้าวเราได้เงินตาต่างประเทศมาเราก็เอามาพัฒนาประเทศสร้างถนน นะสร้างตึกอยนะที่เราที่กรุงเทพเนี่ยมันมีถนนเยอะๆเนี่ยมันมีตึกมากๆนี่รวมทั้งต่างเมืองอย่างต่างเนี่ยไอ้พวกนี้มันได้มาจากได้มาจากป่านะป่าที่เราเคยมีมากมายเนี่ยมันแปลสภาพกลายเป็นปูนนะกลายเป็นถนน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 เราทำลายป่าเพื่อจะได้มีมีเงินมาพัฒนาประเทศแต่ทุกวันนี้นี่เรายัางพัฒนาไม่พอนะเราคิดว่าเรายัางพัฒนาไม่พอก็เลยต้องทำลายป่าอีกตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องรักษาป่าเอาไว้นะนะพวกเรานี่มาที่นี่เนี่ยก็อยากให้มาเราลึกว่าเราเป็นนี่บุญคุณป่านะ ทั้งป่าที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วป่าที่มันเคยปกคลุมแถวสุกโตหรือว่าแถวหลังเขานะแล้วก็อีกมากมายหลายแห่งนะเราเป็นนี่บุญคุณป่าเหล่านี้นะที่มันเป็นอดีตไปแล้วรวมทั้งป่าที่ยังอยู่ด้วย เมื่อกี้เนี่ยอพวกเราได้ฟังแล้วใช่ไหมที่หลวงพ่อเล่านะป้าป่านี่เนี่ยเขาเขาอยู่มานานแล้วเขาอยู่มานานก่อนเราเกิดอีกอยู่มานานก่อนพ่อแม่ของเราเกิดอยู่มานานก่อนปู่ย่าตายายของเราเกิดเขาอยู่มานานนะก่อนมีประเทศไทยนะ อยู่มานานก่อจะมีมนุษย์สิกนะมนุษย์เราเนี่ยนะมันเพิ่งนะมีขึ้นเนี่ยประมาณแค่สองแสนปีนั่นแหละอันนี้หมาถึงมนุษย์สมัยใหม่นะถ้ามนุษย์ลิงนี่ก็สองสามล้านปีนะแต่ป่านี่เขาอยู่มานานแล้วหลายร้อยล้านปีเนี่ยนะ ป่านี่เข้ามาก่อนเรานะแต่พอมนุษย์เราเกิดมาเราก็ <c oughs> เราก็พากันทําลายป่าเขาบอกว่าเนี่ยที่ดินของเรานะเราไปจับจองที่ดินเราก็บอกว่าที่ดินของฉันต้นไม้ก็ถูกตัดต้นไม้ถูกตัดสัตว์ก็ถูกฆ่าป่าก็ถูกทําลาย เพราะมันเป็นที่ของฉันนะไอ้ความคิดแบบนี้นี่มันเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวนะแล้วก็โง่เขลาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วนี่โลกนี้มันเป็นของธรรมชาติเป็นของป่านะเขาอยู่มานานแล้วมนุษย์เรานี่มันเพิ่งมาทีหลังนะมาทีหลังก็มาจับจองแล้วบอกว่านี่ป่าของฉันนะ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 ของเก่งของกว้างนะเวลาเรามานี่เวลาเราไปบ้านใครนะเราก็ต้องรู้จักมารยาทนะเราเป็นแค่ผู้มาอาศัยหรือเป็นผู้มาเยี่ยมเยียนเราก็ต้องรู้จักเคารพสถานที่นะเรามานี่เนี่ยให้เราเจียมเนื้อเจียมตัวนะว่าเราเนี่ยเป็นแค่ผู้มาอาศัยนะเวลาเราไป เข้าไปในป่าแล้วก็ให้ระลึกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านนะเราต้องเคารพเขานะเวลาเราจะไปไหนเข้าไปในป่านี้ก็ขยะขยะเยอะก็อย่าไปทิ้งนะงงเมื่อตอนกงมา ก, ก็บอกไว้แล้วว่าเนี่ยเวลาเข้าป่านี้ก็ให้คิดว่าเตือนตัวเองว่าเราจะไม่ทิ้งอะไรนอกจากทิ้งรอยเท้าไว้นะ เราจะไม่เก็บอะไรนอกจากเก็บภาพหรือเก็บความทรงจานะอันนี้เป็นนาเป็นเป็นมารยาทนะเวลาเราไปป่าไม่ใช่เฉพาะป่าที่นี่ที่เดียวนะไปป่าที่ไหนเขาใหญ่ตาโตนนะเราก็เป็นผู้อาศัยเราเป็นผู้อาคันตุ ก, กะเราก็ทิ้งแต่รอยเท้านะเราไม่ เราไม่ทิ้งขยะเราไม่ทิ้งพลาสติกจะเก็บอะไรก็เก็บแต่ความเก็บความทรงจำดีๆไว้หรือถ้ากลัวจะเก็บไม่ดีก็เก็บเป็นภาพเอาไว้อันนี้ได้นะแต่อย่าเก็บอย่างอื่นนะยิ่งไปตัดยิ่งไปทำลายยิ่งไม่ควรใหญ่นะก็มานี่ก็ให้เรามาเรียนรู้นะ ในเมื่อเรามาป่าแล้วก็ให้เราเรียนรู้เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาตินะเรียนรู้คุ้นครั่งธรรมชาตินะาล่ะก็พอสมควรจะเวลาแล้วนะก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่า